นะโมตัสะักกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะธรรมันเชรสุจริตังตีนะโอกาส บ, บัดนี้จะได้บรรยายขยายความบทธรรมคุณซึ่งศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้สวดสาธยาย กันเป็นประจำเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนได้เกิดสติปัญญาเข้าใจเนื้อหาของบทสวดแล้วน้อมจิตเข้าไปได้อย่างถูกต้องได้เกิดประโยชน์ทั้งชาตินี้เกิดประโยชน์ทั้งชาติหน้าจนถึงเกิดประโยชน์อันสูงสุดคือการรู้แจ้งมรรคผลนิพพานเป็นลำดับสืบต่อไปซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมรับฟัง การวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของพระธรรมคุณซึ่งก่อนที่จะได้สวดวิเคราะห์เจาะลึกนะในส่วนของธรรมคุณนั้นก็ขอเรียนเชิญ ญ, ญ, ญาติโยมสาธุชนได้สวดบทพระธรรมคุณก็คือสวาขาโตพระกัตาธโมให้ญาติโมยมก็เปิดหนังสือไปที่หน้าที่8พันธมยังธรรมานุสตินัยังกัรโหมเส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 ท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทตาโพวินยุติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ ต่อไปก็สวดธรรมคุณธรรมนองสรรพันยะธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาทอนดุจ ด, ดวงประทีจจชาชวานแห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงศักสันดาน สว่างกระจางใจมวลรำใดนับโดยมาค้นเป็นแปดพึงโยนและเก่ากับทางนาริภานสมยาโลกอุดอนที่สดานอ่านลึกโอลานพิสุด พิเศษสุกใสอีกทมต้นทางคันไยนามขนาดการไถปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุดจักรองให้ล่วงลูปองยังหลกอุดรโดยตรง ข้าก็อ่อนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาแล้วก็ญาติโยมสาธุชนได้วสวดได้สาธยายจบลงไปแล้วก็คือธรร ม, มานุสติและลึกถึงคุณของพระธรรมซึ่งการละึกะถึงคุณของพระธรรมนั้นโดยเฉพาะวันนี้นละลึกถึงคุณของพระธรรม สิ่งแรกก่อนที่จะเข้าไปอธิบายขยายความในบทสรพัญญะก็เอาตามศัพป์ภาษาบาลีก่อนนะตามศัพป์ภาษาบาลีศัพแรกสว่าขาโตภะวะตาธรรมโอพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมทําไมจึงเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตัดแล้วไม่เป็นอย่างอื่นโดยประการทั้งปวง ไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นอย่างไหนล่ะเป็นแต่ความจริงนะเป็นแต่ความจริงที่พระองค์ได้ตัดไว้และพระธรรมที่พระองค์ตัดไว้นั้นตัดไว้ดีคือหนึ่งมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดและที่พระองค์ตัดนั้นถึงพร้อมด้วยอัฏฐะถึงพร้อมด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งภาษาเนื้อหาสาระ เพราะฉะนั้นประโยชนแรกที่เราสวดไปสวากาโตภาควตาธโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วคือตัดไว้อย่างถูกต้องนะและพระธรรมทั้งหมดมีจํานวนเท่าไหร่พระธรรมทั้งหมดก็จะมีพระปริยัติธรรมมัทสีผลสีนิพพานหนึ่งปริยัติธรรมหนึ่งก็คือพระสัตธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ย ถ้าจะแยกเป็นสามก็คือหนึ่งปริยัติสัจธรรมสองปฏิบัติสัจธรรมถามปฏิเวทศัจธรรมแยกเป็นสามสัจธรรมก็ได้หรือถ้าจะนับเป็นปิฎกพระสุตันตปิฎกพระวินัยปิดกพาภิธรรมปิดกก็ได้หรือจะนับเป็น 10, สิบมรสีผลสีนิพพานหนึ่งปริยัตหนึ่งนับเป็นสิบอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยตัดไว้ดีแล้วนะก็คือตัดไว้อย่างถูกต้อง ตัดไว้ให้มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพภาคเจ้าตัดเอาไว้พระธรรมและวินัยที่พระเจ้าตัดเอาไว้มีทั้งหมดเท่าไหร่ 84%,00 มพันพระธรรมขันธ์ถ้าจะย่อให้เหลือสก็พระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมพระวินัยปิฎกนั้นถ้าเราศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติสามารถกําจัดกิเลสอย่างยากคือวีติกรมกิเลสได้ในส่วนของวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกถ้าเราศึกษาแล้วลงมือปฏิบตัติสามารถกำจัดกิเลสระดับกลางที่เรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสได้พระอภธิธรรมปิฎกถ้าเราศึกษาแล้วลงมือปฏิบตัติตามอย่างถูกต้องสามารถกำจัดกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอานุสัยกิเลสได้เพระนพวินัยปิฎกกำจัดวิติกรมกิเลสพระสุตร ต, ตันตปิฎกกำจัดปริยุทธานกิเลสพระอภิธรรมปิฎกกำจัดอนุสัยกิเลส อันนี้คือที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วสว่าขาตะก็คือสุอักขาตะตัดไว้ดีแล้วพระองค์ตัดแล้วเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติเราก็จะเห็นผลได้จริงพระองค์ตัดว่าอย่างไรเราลองศึกษาให้เข้าใจสิ่งแรกเลยเนี่ยปัจจุบันคนไม่อยากศึกษาพระธรรมทาไมไม่อยากศึกษาก็ไปอ้างกาลามาสูตรอ้างแบบไหนอ้างแบบข้างๆคูคูอ้างแบบไม่รู้ เนี่ยพระเดจเจ้าจึงตัดไว้เลยอย่าเชื่อโดยฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อโดยอ้างตำราอย่าเชื่อโดยอ้างปิดกเนี่ยเห็นไหมพระไตรปิฎกก็เชื่อไม่ได้เอ า, เ อ, าอ้างการามาสูตรจริงๆเนี่ยพุทธองค์ให้ศึกษาให้เข้าใจทรงจําให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นผลตอนนั้นไม่ต้องเชื่อตำลาแต่ปัจจุบันเนี่ยปิดกั้นไม่เปิดใจเข้าไปศึกษาแล้วก็อ้างการามาสูตรก็เลย ไม่ใช่โง่เหมือนเดิมนะโง่ยิ่งกว่าเดิมอีกถ้าเราเปิดใจศึกษาก่อนเปิดใจศึกษาซะแล้วก็ลงมือปฏิบตัติถ้าไม่เห็นผลปฏิเสธไปเลยแต่จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนขี้เกียจศึกษานะขี้เกียจศึกษาพระธรรมอ้างกาลามาสูตรแล้วก็ไม่ยอมอ่านไม่ยอมศึกษาปฏิเสธโน่นปฏิเสธนี้ตอนสุดท้ายปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสุตมยาปัญญาเนี่ยต้องรู้ว่าออคพระพุทธเจ้าตัดไว้ดีคือดียังไงตัดแล้วมีความงามในเบื้องต้นทรามกลางที่สุด ความงามในเบื้องต้นคืออะไรความงามในเบื้องต้นก็คือศีลเพราะสามารถกำจัดกิเลสอย่างยากได้ความงามในท่ามกลางคือสมาธิเพราะสามารถกำจัดกิเ ล, งงล ส, เ ร, ะสาา ร, เลระดับกลางได้ความงามในที่สุดคือปัญญาหรือพระอริธรรมสามารถกำจัดกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอนุัสกิเลสได้อันนี้ก็คือพระองค์ตัดไว้ถูกต้องดีแล้วตัดไว้อย่างดี นะอันนี้ก็คือสิ่งแรกเราก็จะรู้อ๋อพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้เปรียบมากเจ้าตัดไว้ดีเมื่อพระองค์ตัดไว้ดีแล้วเนี่ยทำไมที่บอกว่าตัดไว้ดีในบางครั้งเนื้อหาเดิมแต่สำนวนหรือคําศัพท์อาจจะแตกต่างกันแต่เนื้อหาธรรมะเหมือนกันนะเนื้อหาธรรมะเหมือนกันอย่างเช่นอริยสัจสีบางครั้งก็เทศโดยตรงว่าชาติปิทุกขาเจราปิทุข า, า, ามรณาปิทุขังแต่บางครั้งไม่ใช้เบี่ยวนี้ เ่นเยธรรมาเหตุตวาติสังเหตุตุมถาคตโออาหะประโยคนี้ก็พูดถึงอริยสัจสีแต่ใช้คนศัพท์คนละสำนวนแต่ธรรมะองค์ธรรมอันเดียวกันเพราะนั้นพระองค์ตัดยังไงก็ตามทุกคําศัพท์ที่พระองค์ตัดไว้สามารถถอดรหัสธรรมหาองค์ธรรมได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าตัดไว้ดีแล้วตัดไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันนี้ก็คือสวะขาโตพระวัตาธมโมสันทิทิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและลงมือปฏิบัติพึงเห็นได้โดยตนเองสันธีธ่ิีกาคือต้องศึกษาก่อนศึกษาในด้านพุทธศาสนาก็คือ1ฟังให้เข้าใจสองจำให้ได้3ทรงจำไม่ให้มันลืม4ลงมือปฏิบัติ5แล้วก็นำไปบอกกล่าวเพราะนั่นเนี่ยเมื่อศึกษาจนใช้ใช้บริกรรมมภาวนาจนจำได้จะ1นึฟังให้เข้าใจสองจำให้ได้สามไม่ให้มันลืมแล้วก็สน้อมเข้ามาในใจกำหนดเนื้อหาด้วยใจ พอกําหนดเนื้อหาด้วยใจเสร็จเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือจะเห็นได้ด้วยตนเองมีประโยคหนึ่งผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นทำคือเห็นตถาคตเห็นยังไงล่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นง่ายๆคือทุกข์อริยสัจจามาก่อนเราก็คิดว่าเออร่างกายของเรานะมันน่าจะมีสุขอย่างน้นน่าจะมีสุขอย่างนี้ถ้าทํางานแล้วมีเงินน่าจะมีสุขจากการใช้เงิน ถ้าได้หลับสบายๆพักผ่อนน่าจะมีสุขจากการนอนหลับเออถ้าได้ไปเที่ยวกับเพื่อนน่าจะมีสุขการเที่ยวเราก็คิดว่ามันจะมีความสุขว่าจะมีความสุขก็รอวันโน้นรอวันนี้รอจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็ยังไม่เจอสุขที่แท้จริงเอา้เอ า, อาแล้วเราคิดว่าตอนเป็นเด็กเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนจบแล้วจะได้มีงานทําแล้วเมื่อมีงานทําแล้วก็จะมีเงินใช้มีเงินใช้แล้วก็จะได้เที่ยวอย่างมีความสุขแต่ตอนนี้สุขไหมมันก็ไม่สุข ทำงานมันก็เหนื่อยเพราใช้เงินมันก็เพียงแค่อำเนยความสะดวกมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงเพียงแค่อำเนยความสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็เห็นออจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าผู้เห็นธรรมเห็นทุกแล้วก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมู้นั้นให้เราจะถามก็เห็นทุกเห็นธรรมยังไงเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นกองแห่งทุกเมื่อก่อนนี้เราก็เห็นคิดว่าขันธ์หเป็นกองแห่งสุข เห็นว่าขันห้าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอปฏิบัติไปจริงๆพิจารณาตัวเราตัวเขาว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ได้ต่อไปก็เห็นว่าออรูปนามก็เพียงแค่รูปประทรมนามมาทำมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วก็จะเห็นไตรลักษในรูปนามเมื่อเห็นแตรลักษณ์ในรูปนามแล้วเห็นอะไรเห็นทุกข์เราก็เห็นธรรมเห็นทุกข์เห็นว่าขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์เห็นธรรมทุกข์ก็คืออะไรคือทุกขสัจจะในสัจจะทั้ง4ทุก์เป็นสิ่งที่เราจะต้ทุกข์เหป็นสิ่ และตัญหานี้จะดับได้ไงก็ต้องไปถึงพระนิพพานได้ได้จะไปนิพพานได้ต้องทํายังไงต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้ามีในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเห็นอ๋อเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมพอเห็นธรรมแล้วก็เข้าประโยคที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะถาคตก็คือเห็นองค์พระ菩าสดาว่า อ, อ๋อพระองค์กัดไว้จริงๆตอนนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วแต่เราจะเห็นพระศาสดาได้อย่างไรล่ะพระธรรมและวินัยคือพระศาสนา พระธรรมที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้นั่นแหละเป็นศาสดาเพราเราเห็นธรรมอคนที่จะตัดอย่างนี้ได้มีแต่พระผู้ได้เจ้าเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถตัดได้อย่างนี้อันนี้คือเห็นทุกข์แล้วก็จะเห็นธรรมก็เห็นธรรมแล้วก็เห็นพระธรรมคตคือเห็นพระผู้ได้เจ้าเพราะฉนั้นเราก็จะเห็นขึ้นตามลําดับขั้นเพราะฉะนั้นสันคิตรีโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองต้องลงมือปฏิบัติของใครของมันเพราะนั้นในขณะที่นั่งปฏิบัติบางคนก็นั่งแล้วเกิดสมาธิพอสมาธิมาก เขาเรียกว่าสมาธิดิ่งสมาธิดิ่งเกิดอะไรขึ้นทีนามิทธะคือความง่วงเหงามันเข้าแล้วก็นั่งหลับในและหลายๆคนก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองหลับนั่งและสมาธิดีมากเลยแล้วดิ่งดิ่งดิงดิ่งดิไปไหนดิ่งแล้วก็หลับในจิตลงพวังแล้วก็บอกว่ามันเข้าฌานด้วยนะบางคนเข้าใจตัวเองผิดคิดว่าน่ะกำลังเข้าฌานแต่จริงมันไม่ใช่นะก็จะเห็นว่าอ๋อสภาวะเหล่านี้เนี่ยอนุปฏิบัติพึงเห็นได้ตนเองเห็นแล้วถ้าไม่มีปริยัติก็ไม่รู้ว่าทีนามิทธะเข้า ยังเข้าใจว่าตัวเองได้ชาณาปินญ า, ญญาหรือในขณะที่นั่งไปแล้วหลับกนั่งนิ่งสักพักหนึ่งเกิดอะไรเกิดนิมิตในอดีมาปรากฏแล้วก็เกิดจินตนาการไปตามโนูนไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวโลกไปเ ร, รืเอเ่อยเปื่อยนะพอสักพักหนึ่งเออนั่งวิปัสสนามาดีเนาะได้ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวรรนรกอันนั้นก็ผิดแล้ววิปัสสนาที่เป็นวิปัสสนึกเกิดจินตนาการขึ้นมา เพราะฉนสภาวะเนี่ยคนปฏิบัติก็จะรู้เองว่าตนเองเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทํำยังไงถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องส่งอารมณ์กรรมฐานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วท่านก็จะแก้ให้ว่าถ้าเท่าสมาธมันเป็นอย่างนี้ทำวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ถ้าคุณนั่งจินตนาการมันก็จะเกิดอย่างนี้นะฮะบางทีเนี่ยญาติโยมปฏิบัติเองขาดครูบาอาจารย์เกิดอะไรขึ้นอ่านเองปฏิบัติเองอ่านเองปฏิบัติเองแล้วเกิดโลกจิตญาติโยมหลายคนจะตกใจนะ ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เกิดอะไรขึ้นเกิดจิตมันนิ่งมากๆแล้วไม่รู้จะกำหน ด, ดอะไรต่อแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงที่มันละเอียดสุดๆเสียงละเอียดสุดๆเนี่ยมันเสียงแวว ๆ, ๆ, ๆอยู่ในหูเสียงกระซิบอยู่ที่หูคือเสียงอะไรที่มันละเอียดก็ได้ยินมากพอได้ยินแล้วเกิดอะไรขึ้นบางทีก็ตกใจบางทีก็กลัวแล้วไปไหนไปหาจิตแพทย์ ไปหาจิตแพทย์แล้วก็ไม่ยอมบอกว่าตนเองทำอะไรมาแต่เอาไปเอามาแอบนั่งสมาธิเองเพราะแอบนั่งสมาธิเองจิตมันดิ่งดิงๆเสียงเบานิดเดียวก็ได้ยินพอได้ยินแล้วเนี่ยอะไรที่มันแว่วแว่วเข้ามาในหูแล้วก็เกิดอาการบางคนก็ตื่นตะนกตกใจบางคนก็ลหลงไหลไปตามนั้นแล้วก็ส่วนญาติโยมที่ไม่รู้คือพ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ คิดว่าลูกเป็นโลกประสาทก็พามาพบจิตแพทย์แล้วก็มีหลายลายไม่ยอมบอกความจริงว่ามันคืออะไรแท้จริงแอ บ, บไปปฏิบัติเองเพราะฉนั้นแหะอย่าแอ บ, บนะถ้าจะปฏิบัติเนี่ยเอาแค่สวดมนต์สัมผาสกรรมฐานก็พอแต่ถ้าจะลงมือเอาอย่างนั้นในจริงเนี่ยอย่าทิ้งครูบาอาจารย์เด็ดขาดเพราะจะมาอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอาการที่เรียกว่าจิตเหมือนกับมีอะไรเข้ามากระซิบที่หูตลอดเวลาเกิดอาการอย่างนี้มีหลายคนหลายท่าน พันเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ปฏิบัติจะเห็นสภาวะเองแต่เห็นเองคือต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าเห็นผิดล่ะเห็นผิดก็จะแก้ให้แต่เห็นถูกก็ให้ต่อไปเพราะนั้นก็คืออันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเห็นอะไรเห็นสภาวะของรูปของนามเห็นไตรลักษณ์ในรูปในนามเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาเห็นความไม่สวยไม่งามของนาปทวีธาตุอาโปธาตุถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ผิด แต่ถ้าเห็นนอกจากนี้ผิดทางแล้วรีบถอนตัวให้รีบหาครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คือสันทิฏฐิโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยถ้าเห็นถูกก็ไม่เป็นไรเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นไตรลักษณ์นะแต่ถ้าเห็นจินตนาการแล้วนะก็มีสิทธิ์ที่เกิดเรียกว่าวิปริตขึ้นมาโลกจิตเกิดขึ้นได้อากาศริบโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และผลได้ไม่จํากัดการซึ่งตรงนี้อธิบาย2ประเด็นประเด็นหนึ่งอธิบายแบบประยุกต์ อีกประเด็นหนึ่งอธิบายตามความเป็นจริงอธิบายแบบประยุกต์คื อ, อยังไงธรรมะของพระเจ้าลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้ได้ผลแบบนี้เดี๋ยวนี้อันนี้คืออธิบายแบบประยุกต์แต่ถ้าอธิบายตามความเป็นจริงละ่ะในขณะที่เราปฏิบัติไปเจริญนิพพานไปจนแหงแจ้งรูปนามแล้วก็ญาณสิบหเกิดขึ้นจนถึงมัรคยานผลละญาณในขณะที่มัรคยานเกิดขึ้นเนี่ยต่อจากมัรคยานไม่มีสิ่งอื่นนอกจากผลแญาณคือโสดาปัติมากเกิด โสดาปฏิผลเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นสกาธาใครมาเกิดสกาไทยผลเกิดขึ้นทันทีไม่มีอย่างอื่นมาขั้นอนาคคยมาเกิดอ拉าครผลเกิดขึ้นทันทีไม่มีอย่างอื่นมาขั้นอ拉ธรรมะเกิด阿拉ผลเกิดขึ้นทันทีไม่มีอย่างอื่นมาขั้นนี่เรียกว่าอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับกาเนลานะฮะหลังจากมาเกิดผลเกิดอย่างต่อเนื่องอันนี้คืออธิบายตามเนื้อหาสาระแต่ปัจจุบันนี้นิยมมาแอพลายนะฮะมาประยุกต์ประยุต์ยังไง ธรรมะของพระเจ้าลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ผลแยะเมื่อนั้นอันนี้ก็ให้รู้ว่านั่นคือการประยุกต์เอามาใช้แต่ถ้าของจริงๆนะี่คือมรรคสี่เกิดขึ้นผลสี่ต้องเกิดขึ้นตามลําดับอันนี้คืออาการิีโกไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาคือไม่ต้องรอวันนี้มรรคเกิดพรุ่งนี้ผลเกิดไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้เลยพอมรรคจิตเกิดผ ล, ลจิตเกิดต่อเนื่องทันทีนั่นแหละเป็นอาการิีโกไม่ขึ้นอยู่กับการเวลา เอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเอหิจงมาปัสสะจงดูมาดูได้เลยมาพิสูจน์ได้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนะพิสูจน์ยังไงล่ะมาศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ทรงจำให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติกำหนดด้วยใจแล้วก็จะเห็นสภาวะด้วยตนเองเพราะนั้นเอหิปัสสิโกเนี่ยเป็นบทที่ทาพิสูจน์มามาศึกษาให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเลยเพราะฉนคำว่าสิกขาศีลสิกขา สมาธิสิกขาปัญญาสิกขาสิกขาสามนี้เรานิยมแปลว่าการศึกษาพอการศึกษาเราแปลแค่เนี้คนไทยก็รู้อ๋อศีลสิกขาก็เรียนรู้เรื่องศีลก็ได้ก็จบแล้วสมาธิสิกขาก็เรียนรู้เรื่องสมาธิก็จบแล้วปัญญาสิกขาเรียนรู้เรื่องปัญญาก็จบแล้วก็กลายเป็นว่าสิกขาเนี่ยทิ้งความหมายของคําว่าสิกขาในภาษาบาลีอีกสองอย่างนะก็คือเรียนรู้อย่างไม่พอ ต้องทรงจำให้ได้ทรงจำและยังไม่พอแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้ได้นั่นคือคำว่าศิกขาแต่เราแปลภาษาไทยเนี่ยแปลไม่หมดแปลยังไงล่ะสิกขาเช่นศีลสิกขาแปลว่าการศึกษาเรื่องศีลพอเขาใช้คําว่าศึกษาเรื่องศีลแล้วเมื่อไหร่จะลงมือปฏิบัติ ล, ล่ะเออปริยัตกับปฏิบัติมปนคนละอย่างกันแต่ในทางพระพุทธศาสนาคําว่าศิกขาทุกตัวอักษรแปลว่าเรียนรู้ให้เข้าใจ ทรงจำให้ได้แล้วกาหนดด้วยใจคือลงมือปฏิบัติสามอย่างเลยนะฟังให้เข้าใจจำให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัตินั้นคือคำว่าศึกษาเพราะนั้นเอฮิปัสโกนะท่านจงมาดูเถิดคือมาเรียนม า, ม า, ม, า, ม, ามาศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จำให้ได้นะแล้วก็ลงมือปฏิบัติอันนี้นก็คือเอหิปัสโกต้องนะต้องมารู้มาเรียนมาฟังมาทรงจาให้ได้เพราะนั้นก็คือดีที่สุดเนี่ย พุทธพจน์ทุกคำควรบริกรรมพอทําความเข้าใจเสร็จแล้วก็บริกรรมให้เกิดเป็นบริกรรมภาวนาแล้วก็น้อมจิตไปในคําบริกรรมเพื่อให้บริกรรมภาวนาเกิดแล้วก็บริกรรมสมาธิก็จะเกิดโอปัณญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวตัวในทีน่นี้เอาพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่สอนเรื่องตัวตนตอนนี้ทําไมให้น้อมมาใส่ตัวล่ะตัวในที่นี้คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เอาธรรมะมาไว้ที่ร่างกายนะ น้อมก็ามาใส่ตัวเนี่ยเอามาใส่เสียงก้าวบางที่เราอาจจะบอกนี้ก็ได้แต่จริงๆเนี่ยธรรมะต้องเอามาใส่ใจใส่ใจคือเอามาเก็บไว้ในใจเก็บยังไงล่ะก็คือใจเราน้อมไปรับน้อมไปรับคือเพื่อหนึ่งเพื่อจดจําทําความเข้าใจน้อมไปรับเพื่อเกิดความเข้าอกเข้าใจเพื่อเข้าอกเข้าใจและทํำยังไงต่อแล้วก็พินิจพิจารณาโยนิโสมบณสิการแล้วหลังจากนั้นก็ขยับเข้าไปสู่ภาวนานะเพื่อเกิด าเห็นแจ้งพ o, ระโอปัญยิโกพอน้องก็มาอยู่ในใจพอพระธรรมมาอยู่ในใจเนี่ยใจปกติใจของมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์ตัดว่าปาปัสมิงระมติมโนมโนแปลว่าใจระมติย่อมยินดีย่อมชอบปาปัสมิงในบาปคือใจของบุคชนเหมือนน้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําอันนั้นเป็นปกติธรรมชาติของใจบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาของสูงสูงคือพระธรรมมาใส่ใจใจของเราก็สูงขึ้นทันทีอย่างเช่นเรามีศี่ห้า เมื่อก่อนยังไม่มีศีลห้าเรามีจิตที่ชอบเบียดเบียนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน่ะถ้าเด็ผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้ ว, ม, ลวมีความสุขแล้วเกินก็เรียกว่าได้เบียดเบียนแล้วมีความสุขตอนนั้นเนี่ยใจยังไม่เป็นมนุษย์ใจยังไม่สูงใจเป็นอะไรใจเป็นสัตว์นรกตัวนั้นเป็นมนุษย์แต่ชอบผิดศีลข้อที่หนึ่งชอบเบียดเบียนแล้ ว, ม, ลลวมีความสุขชอบรังแกคนอื่นแล้วมีความสุขเขาเรียกว่ามนุษย์เนรยิโกตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกยังไม่เป็นมนุษย์หรือคนบางคน ถ้าได้โกงได้กินได้ขอรับชั้นได้ผิดศีลข้อที่สองได้อธินนาทานแล้วเนี่ยมีความสุขคนอื่นจะพินาศก็ช่างใครจะพินาศก็ช่างขอให้ฉันได้อย่างเดียวจะผิดศีลก็เอาจะผิดกฎหมายก็เอาผิดอะไรก็เอาขอให้ฉันได้ก่อนอันนี้ก็คือเห็นแก่ได้อย่างเดียวยอมผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายทุกอย่างก็เรียกว่ามนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจอยู่ในขั้นเปรตอย่างใจยังไม่สูงนีงไม่ถึงมนุษย์มนุษย์ขั้นที่สามนะชอบ ขวางขัดแข้งขัดขาคนที่กําลังเจริญก็ดีคนที่กําลังประสบความสําเร็จก็ดีหรือทําตัวเหมือนสัตว์ดิราชานนะเช่นสัตว์ดิราชานันปัจจุบันเนี่ยสัตว์ดิราชันใส่เสื้อผ้าไหมก็ไม่ใส่เสื้อผ้านะไม่ชอบใส่เสื้อผ้านะแล้วก็ทางตะวันตกเริ่มมีมากขึ้นนะไม่ใส่เสื้อผ้าเดินเข้ามาในกลางตลาดก็ดีในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดีตำรวจก็จับนะในข้อหาอนาจารแล้วก็โต้แย้งตำรวจว่าฉันมีสิสทธิเสรีส่วนบุคคลฉันมี นาะคุณจับฉันได้ยังไงฉันมีสิทธิเสรีอ้างตำรวจตำรวจก็บอกว่าผมก็มีสิทธิเสรีข้อหาแต่งตัวอนาจารแต่งตัวลามกนะฮะเขาก็อ้างก็บ่าเขามีสิทธิธรรมใช่คุณมีสิทธิธรรมถ้าอยู่ในบ้านคนเดียวนะก็เรียกว่าตำรวจอเมริกากับชาวบ้านบางคนที่ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าเนี่ยทำตัวเหมือนสัตว์ดิแรชาน นะไม่ใส่เสื้อผ้าเดินกลางถนนทงท ง, ทงเลยตำรวจก็วิ่งไล่จับนะอันนี้ไม่ใช่คนเดียวนะหลายๆครั้งในปีเนี้ยข่าวแบบเนี้ยเกิดบ่อยมากที่เมกาลองลงมาก็ที่อังกฤษคือไม่ยอมใส่เสื้อผ้าเหมือนสัตว์ดิเรกชานันก็เรียกว่าตัวน่าเป็นมนุษย์แต่ใจนะ่ะต่ําเหมือนสัตว์ดิเรกชานันเรียกว่ามนุษย์สติราชานโนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจยังไม่สูงเลยนะยังใจแค่ต่ําแค่สัตว์ดิเรกชานันเพราะมนุษย์เนี้ยกินกาม กินกับกามหลับนอนมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันอะไรที่ทําให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานปัญญาถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญามีหัวคิดเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานนะซึ่งคํานี้ก็เป็นพระธรรมด harma ที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้เพราะฉะนั้นมนุษย์สติรฉาโนเนี่ยเยอะแยะเลยมนุษย์สติรฉาโนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งในสังคมเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจะเป็นชอบขัดขวางขัดแง่ขัดหาก็ใช่ หรือจะไม่ชอบใส่เสื้อผ้าก็ใช่หรือปัจจุบันเนี่ยหนักยิ่งกว่านั้นอีกพ่อกับลูกน่ะแม่กับลูกน่ะเสพเมถุนกันก็ใช่ก็คือเหมือนกับสัตว์ประหลาดไม่ใช่คนนะอันนี้ก็เรียกว่ามนุษย์สติรัหลาดโนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ประหลานเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโอเนี่ยนะก็คือถ้าไม่น้อมธรรมะมาใส่ในใจธรรมะขั้นแรกที่จะน้อมก็มาใส่ในใจคืออะไรศี่ห้า ถ้าวันไหนมนุษย์มีศี่หวันนั้นมนุษย์คนนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์สัมนุษย์โสตัวก็เป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เพราะนั้นน้อมธรรมะเข้ามาใส่อย่างตามทิสุดต้องมีศี่หนั่นแหละจึงจะเป็นมนุษย์ถ้าวันไหนน้อมเอาธรรมะคือฮีรีความละอายแก่ใจโอตป่าความเกรงกลัวบาปถ้าน้อมเอาธรรมะหมวดนี้มาใช้วันนั้นสูงกว่ามนุษย์อีกตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพเรียกว่ามนุษสัเทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพ แต่วันไหนก็ตามน้อมนําเอาพระธรรมที่สูงยิ่งกว่านั้นอีกแผ่เมตตาให้กับทุกคนแผ่เมตตาคือปรารถนาความสุขให้กับทุกคนแผ่กรุณาใครก็ตามที่กําลังประสบทุกข์ในยากขอให้เขาเหล่านั้นทั้งหมดจงพ้นจากความทุกข์ความยากแผ่มุติตาใครก็ตามที่ได้มีความสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทรย์สมบัติที่ท่านังหลายได้แล้วจงอย่าพินาศไปแผ่กรุแผ่มุติตาแสดงความยินดีในทรัพย์สินสมบัติหรือความสุขที่ผู้อื่นมีแล้ว แล้สูงยิ่งกว่านั้นแพอุเบขาโอสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นายาทมีกรรมเป็นเผ่าพนธมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทํากรรมใดก็จกได้กรรมนั้นนี่ว่ากรรมดีก็ตามนี่ว่ากรรมชั่วก็ตามแพเมตตากรุณาเมตตาเบขาถ้ามี4อย่างนี้ตัวนั้นเป็นมนุษย์เจตใจสูงขั้นพรมเรียกว่ามนุษย์สัมภารมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอปันญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมอะไรอย่างตามก็ศี่ห้าได้เป็นมนุษย์สูงกว่าสี่หฮิลิโอตปาได้เป็นเทพ สูงกว่าสินห้ามีพรหมมีหารสี่ก็เป็นมนุษย์ขั้นพรหมถ้าสูงกว่านี้ล่ะสูงกว่านี้อ๋อตัวเราตัวเขาเท็จริงก็เป็นเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมนะจับได้สัมผัสได้ในร่างกายเนี่ยจับอ่อนๆก็ดีแข็งๆก็ดีอ๋อก็แค่แคบปฐวีธาตุยกได้ขยับได้ก็แค่วาโยธาต์นะรู้สึกเหนียวเนน่าชุ่มชามก็เป็นอาโปธาตุจับดูแลรู้สึกเย็นๆก็ดีร้อนก็ดีก็เป็นเตโชธาตุโอเคนี้ก็เป็นแค่รูปธรรมนามธรรมวันไหนถ้าน้อมนําเอารูปนามเข้ามาสู่ตัวเองได้ และรูปนามมันเป็นไรล่ะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดึงเข้าสู่ไตลักษณ์ได้เห็นแจ้งอริยสัจสีได้ น, นั่นคือน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านี้มาใส่ใจก็จะเห็นสิ่งที่ใจของเราจะสูงถึงขั้นอริยะไม่ฉะนั้นแล้วใจของเราก็จะเป็นปุถุชนและจะเป็นอันท่าปุถุชนผู้มืดบอดไปด้วยโมหะแต่วันไหนน้อมนำเอาพระธรรมมาใส่ใจใจของเราก็จะสูงขั้นนิดนึงเป็นมนุษย์ามนุษย์สมงมนุษย์พันแท้ ขั้นที่2มนุษย์าตรเทวมนุษย์ขั้นเทพขั้นที่ส ม, มนุษย์าตรมหาพรห ม, มาขั้นพรมขั้นที่สเป็นมนุษย์าตรอริยเป็นมนุษย์ขั้นพระอริยมุคคลเพราะฉะนั้นการน้อมนําเอาพระธรรมมาใส่ในใจจึงมีความสําคัญมากโอปนัญิโกน้อมมาใส่ตัวคือน้อมมาใส่ใจน้อมมาใส่ใจถ้าน้อมและรู้จึงพระธรรมบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่โกรธเกลียดเิรียแค้นใครเลย ตอนแรกก็น้อมศีลห้าเข้ามาใส่น้อมศีลห้าเข้ามาใส่ต่อไปล่ะน้อมฮิริโอตะปาเข้ามาใส่ต่อไปน้อมพระมิหารศีเข้ามาใส่ต่อไปน้อมรูปนามเข้ามาใส่ให้เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละการน้อมธรรมะเข้ามาใส่ตนจะได้ประโยชน์อันสูงสุดแล้วก็ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่วินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตนคําว่าวินยูชนในที่นี้คือบุคคลที่รู้ว่าตัวเราตัวเขาเป็นเพียงแค่รูปนามขันห้าและรูปนามขันห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นะแล้วในต่อไปก็จะเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคหนาเราก็นะเห็นอริยาสัจสีด้วยมรรคปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นปัจจตังเนี่ยใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้หนาะใครบรรลุ ค, คนนั้นก็รู้เป็นปัจจตังเวทีตาโพเพราะฉะนั้นบางที เอ๊ปัจจตังมันคือยังไงล่ะก็ลองลองมือปฏิบัติดูลองสวดมนต์ดูเออสวดมนต์แล้วมันก็จิตสงบดีเนาะพอทําสมถะยิ่งสงบอีกยิ่งแผ่เมตตาจิตยิ่งมีความสุขเอามาเอามาสวดมาบริกรรมมาสวดบริกรรมจิตของเราก็มีพลังขึ้นพลังขึ้นเราก็จะเห็นได้ตนเองน่าเห็นได้ในตันของเราเองเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ธรรมะคุณในส่วนของธรรมานุสติที่เรียกว่าสวาขาโตภควาตาตโมจนถึงปัจจตังเวริฏาโพวิญโหินั่นะคือธรรมคุณหกประการ คุณของพระธรรมหกประการคุณของพระธรรมนี้เราอาจจะมองแค่เนี้ยถ้าเรามองให้สูงกว่านี้ล่ะคุณของพระธรรมทําให้เราพ้นจากอบายทั้งสี่คุณของพระธรรมทําให้เราไปสู่สุคติได้คุณของพระธรรมทําให้เราได้ชานาปัญญาได้คุณของพระธรรมทําให้เราพ้นจากทุกทั้งปวงได้อันนี้คือคุณของพระธรรมนะฮโดยเฉพาะในภาพรวมตรงนี้แหละเราก็เอามาแต่งเป็นบทนาะบทสวดทํานองสา ร, รพันยะนะซึ่งทานองนี้ก็เป็นกราบฉบัง16นะ ธรรมะคือคุณากรนะก็คือเอาทั้งหมดทั้งหมดข้างบนนั่นแหละมาสรุปความแล้วก็จริงๆและธรรมะที่เป็นสาระจริงๆเนี่ยในบทสรพัน ญ, ญะบทสรพัน ญ, ญะก็คือบทที่สวดด้วยทํานองนะมีทํานองในนี้ก็เป็นธํานองกบบากฉบัง16นะธรรมะคือคุณากรนี้เพราะฉะนั้นธรรมะคือคุณากรธรรมะก็คือธรรมะแบบนี้แปลได้เจ็กว่าความหมายคําว่าคุณากรแปลว่าอะไร แปลว่าบ่อเกิดแห่งคุณธรรมคุณากระแปลว่าบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนะฮะก็คือธรรมะคือคุณากรส่วนชอบชาธรอนดุจดวงปฏิบชัจวาลก็คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือศีลบ่อเกิดแห่งคุณคือสมาธิบ่อเกิดแห่งคุณคือปัญญาทั้งที่เป็นโลกียคุณและโลกุตระคุณพระคุณต่างๆเนี่ยเกิดจากสิ่งเหล่านี้ ทะเลเป็นบ่อเกิดแห่งอัญมณีธรรมะก็เป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือรัตนอะไรทีนี้ได้แก่โพธิบัคคียธรรม37ประการนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ธรรมะคือคุณากรคุณากรไม่ต้องอธิบายอะไรมากธรรมะคือบ่อเกิดนาบ่อเกิดแห่งคุณคุณในที่นี้ก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามต้องมีบ่อเกิดแหล่งเกิดแหล่งกําเนิด นะถ้าเราไม่ใช้บอ่อเกิดว่านะจะจะใช้คำศัพท์อะไรดีนะก็ใช้คำศัพท์วันแหล่งกำเนิดถ้าไม่ใช้คำศัพท์นี้ล่ะต้นตอนะก็มันมาจากตรงไหนนะอันนี้ก็คือคําว่าคุณากรนั่นแหละคุณากระนะอากระก็บอ่บอเกิดบอ่อเกิดทั้งที่เป็นสินธรรมันที่ปัญญาทั้งเป็นโลกียะคุณและโลกุตตระคุณส่วนชอบสาธรก็คือทรงไว้ด้วยดีซึ่งบุคคลผู้ประพฤติตามไม่ให้ตกไปสู่อบายสาธรสาธาระ สาธรก็คือผู้คารบอาธาระก็คือแสดงความคารบนะผู้ที่นะมีความคารพในพระธรรมประพฤติตามพระธรรมพระธรรมก็จะทรงบุคคล น, นั้นไม่ให้ตกไปสู่อบายพระธรรมธรรมะแปลว่าส่งไว้ธรรมะใน70็ดสิความหมายธรรมะในนี้แปลว่าส่งไว้ทรงใครไว้ใครทรงธรรมธรรมะก็สรงคนนั้นไว้ทรงว่ายังไงทรงไว้ไม่ให้ตกไปสู่ที่ต่ําที่ต่าคืออะไรคืออบายทั้งสี่ เพราะนั้นส่วนชอบสาธรก็คือในนี้พระธรรมทรงไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมไม่ให้ตกไปสู่อาบายทั้งสี่อันนี้ก็คือส่วนชอบสาธร น, นะแล้วก็ดุดดวงประทีปชัชวาลพระธรรมนั้นเป็นดุดดวงประทีปชัชวานคือเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดปัญญาที่สามารถทารําความสว่างสวัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่มืดมนด้วยอวิชชาได้เห็นธรรมตามความเป็นจริงสมกับคําที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะ น่ะก็เลยมีคำสัพท์หนึ่งปัญญาปัดโชโตโลกัสมิงปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกในโลกนี้แสงน่ะแสงไฟก็สว่างได้จํากัดแสงพระจันทร์ก็ดีกว่าแสงไฟนะแสงพระอาทิตย์ก็ดีกว่าสิ่งนั้นอีกเพราะฉะนั้นแสงเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อแสงธรรมแสงธรรมะขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเป็นแสงที่ส่องสว่างส่องสว่างได้แม้ในที่มืด ที่มืดที่สุดคือที่ไหนใจของคนใจของคนมืดมนอนทาการมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นมืดข้างนอกใช้แสงสว่างก็ได้ใช้แสงพระอาทิตย์แสงจันทร์ก็ได้แต่ใจคนมืดมนเนี่ยมองไม่เห็นเส้นทางนะมองไม่เห็นไดใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องใช้แสงพิเศษก็คือแสงพระธรรมเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยสวดธรรมจักนะจากขุงอุทาปาทิยานังอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิจากขุงอุทปาทิ ธรรมจักรสุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วยาังอุตตปาที่ยาปัญญาเกิดขึ้นแล้วาา อ, าอาโล โ, โลกแสงสว่างคือมรคปัญญาเกิดขึ้นแล้วยายางอุตตปาที่อโลโกอุตตปาที่อโลกาแสงสว่างในที่นั้นก็คือแสงสว่างทางปัญญาคือมรคทั้ง4ีนั่นแหละเป็นแสงสว่างที่ส่องให้เราเห็นได้อย่างกระจ่างชัดเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็คือดดดวงประทีปชัชวานไม่ใช่ประทีปธรรมดาส่องให้เห็นเห็นอะไรบ้าง เห็นทางนี้ไปอบาย4ี่ไม่ไปเห็นทางนี้ไปสู่สุคติภูมิไปเห็นทางนี้ไปสู่สุคติก็คือมนุษย์และเทวดาเห็นทางนี้ไปสู่พรมโลกพรมโลกก็มี2อย่างรูปประพรมแอลรูปประพรมแล้วรูปประพรมก็จะมี2อย่างรูปประมที่เป็นปุถุชนและรูปพรมที่เป็นอริยะบรรรูปพรมที่เป็นปุถุชนก็ไม่จะเป็นต้องไปส่วนรูปพรมที่เป็นอริยะคือชั้นสุท้าวาาพรมไปได้เพราะฉะนั้นทำให้เราเห็นทาง และวเห็นทางยิ่งกว่านี้ทางที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดทางนั้นคืออะไรมัชิมาปฏิปทามักมีองค์8เพรา ะ, ะนั้นพระธรรมเนี่ยจะส่งให้เราเห็นทางดําเนินชีวิตทุกคนเกิดมาหาทางดําเนินชีวิตหนึ่งการศึกษาการศึกษาเพื่ออะไรน่ะเพื่อหาทางเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถามว่าทางในการดําเนินชีวิตได้เห็นหรือยังยังตราบใดที่ไม่ได้ศึกษาพระพิธรรมนะบางทีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็จริงแต่ว่า ที่กําลังทํำน่วดจะไปนรกก็ไม่รู้จะไปสวรรค์ก็ไม่รู้จะไปเป็นพรหมก็ไม่รู้จะไปเป็นอรูปพรหมก็ไม่รู้จะไปนิพพานก็ไม่รู้แต่พอได้แสงสว่างอันชัดชวาลคือดวงประทีตยคือพระธรรมแล้วจะเห็นทางทุกเส้นทางเลยเอา้อาวอกุศลกัมโบสิบข่าสัตว์รักษาพษื่อบิดในการมผลทางนี้ไปอบายทั้ง4ี่ ถ้าศีลห้านะบุญกิาวัตถุสิหรือศีล8ปดหนทางนี้ไปสู่สุกติคือไปเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาถ้าทำสมบัตกรรมฐาน ส, สีวิธีจะได้ฌานอภิญญาหนทางนี้ไปสู่พรห ม, มโลกถ้าจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอัศจรรยเจริญกายเวทนาจิตธรรมหนทางนี้ที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอ๋อพระธรรมเนี่ยดุจ ด, ดวงประทีปชัดชวานนะอันนี้ก็เป็นประทีปนะเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างนโยกเปรียบเสมือนดวงประทีปที่ลุก ลุกชดช่วงชัตจวาลอยู่สามารถทําความสว่างสวยให้แก่บุคคลผู้มีตาดีนะผู้ถูกความมืดครอบงําอยู่ได้เห็นรูปที่มีอยู่ฉะนั้นนะอันนี้ก็คือต้องตาดีนะคำว่าตาดีคือมีวิสัยทัศน์น้าตาเนี่ยมีห้าดวงน้าตาเนื้อน้าตาเนื้อก็คือตาบังสัตจากสูตรธรรมดาแล้วก็ตาชิพแล้วก็ธรรมจักรสูตดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พุทธจักรสูตรดวงตาของพระพุทธเจ้าแล้วก็สมันตาจากสูนะดวงตาเหล่านี้เนี่ยต้องมี เพราะนั้นก็คือการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะทำให้เรามีตาดีหรือที่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามีวิชั่นหรือมีวิสัยทัศน์การมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์นั่นคือการศึกษาพระธรรมท่านญาติโยมท่านใดท่องชินะบัญชรได้ในบทสวดชินบัญชรเนี่ยนิมนพระธรรมมาไว้ที่ในตาทั้งสอง ทำไมนิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ในตาทั้งสองก็เรามีแค่ตาเนื้อนะ่ะมีตาเนื้อมองเห็นแค่รูปารมณ์สีต่างๆพอนิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ดวงตาทั้งสองละเอียดยิ่งกว่านั้นก็มองเห็นตาชิปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้ในที่ลึกๆสุดๆก็คือนะดวงตาเห็นธรรมมรตโสดาปฏิมาศกาไทยมรตอนาคามะอารัตมาค่ถ้าสูงยิ่งกว่านั้นก็คือดวงตาของพระธเจ้าที่เรียกว่าพุทธจักรสูรหรือสมันตจักรสูเพราะงั้นก็เรียกว่าภาษาไทยมีคําหนึ่งมีตาแต่หามีแววไม่ มีแต่ตาเนื้อไม่มีตาปัญญาเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยเราศึกษาพระธรรมพระธรรมนั่นแหละทําให้เรามีตาปัญญามองเห็นสว่างสวยัยนะบางทีเราบอกเออแค่ น, นี้ก็หาไม่เป็นหาไม่เห็นนะบางทีก็ด่ากันหยาบหยาบนะตาอะไรเนี่ยตาถั่วหรือเปล่าขออภัยใช้คำนี้ก็คือคือบอกขนาดนี้ยังมองไม่เห็นอีกหรือตาอะไรขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยตาของคนเราเนี่ยจะดีไม่ดีนะ ตาที่มังสะจกสักษุนี่ก็ต้องอาศัยบุญจากการรักษาศีลข้อที่สี่และข้อที่ห้าตาเนื้อจึงจะมองเห็นดีๆถ้าตาในล่ะต้องอาศัยถ้าตาในก็ต้องอาศัยทั้งสมถานและวิปัสนาโดยเฉพาะวิปัสนานั่นแหละวิปัสนาก็คือเห็นแจ้งรูปนามขนาันห้าจะไม่ถูกวิปรารสิบสอประการเข้ามาหลอกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุดดวงประทิบชัชวาลซึ่งคาถานี้นะ่ะเรียกว่าก า, กาบข้อแรกนะ่ะ เป็นกาบฉบัง16นี้ก็อธิบายขยายความไปก็คงจะจบตรงนี้กาบที่2แห่งองค์พระาศาสดาจารย์สองสาศาสนาลสว่างกระจ่างใจมนก็คือพระธรรมที่พระองค์นะผู้เป็นาศาสดาหแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงโดยย่อนะและก็ประกาศทีแรกนะเพื่อบุคคลที่มีอินทะรีย์แก่กล้าที่ทรงขยายและจะแน่เพื่อบุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางที่ทรงกระทําให้ตื้นและบัญญัติเพื่อบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน อันมีความงามในเบื้องต้นอันทําจิตสันดานของอุคติตัญยุบุคุณให้สว่างคือให้หมดจดจากบนทินคือกิเลสอันมีความงามในที่สุดเพราะทําจิตสันดานของเนยยบุคคลให้สว่างคือหมดจดจากมนทินกิเลสเพราะฉะนั่นองค์แห่งองค์พระศาสดาจารย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาของในบาลีจะมีคําว่าศัทธาเทวมนุสย์นางเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อา้าวเปส า, าสนาเฉพาะเทวดาหรือเป็นของพรหมด้วยหรือเปล่าคําว่าเทวะมนุษสานางังเทวะนั้นเอาพรหมด้วยพรหมก็อยู่ในคําว่าเทวะมนุษย์สานางัง พ, พระองค์เป็นาศาสดาของมนุษย์เป็นาศาสดาของเทวดาเป็นาศาสดาของพรหมก็เรียกว่าศาสดาจารย์เป็นอาจารย์ยใหญ่ที่สุดนะในบรรดาศาสดาทั้งหลายทรงสัตว์สันดาลสว่างกระจ่างใจมูลพระธรรมที่พระองค์ถ้าพระองค์แสดงย่อๆสําหรับใครสําหรับอุกติจันยูใครคืออุกติตันยู ฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นภาษาลิบุตรฟังแค่เยธรรมาเหตุวารเดสังเหตุตรงตถาคตโตอาหาจบอาหาภาษาลิบุตรได้บรรลุแล้วแต่เรายังไม่ได้บรรลุของเราก็ต้องบอกเยธรมาได้แก่ทุกขาริยสัจจะเหตุภวาได้แก่สมุทัยสัจจะเตสังเหตุตรงตถาคตโตนาอาหารพระแตเตสังก็คือธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะเหตุตรงก็คือเหตุ เหตุในนิเหตุของทุกขัจจ咤และสมุทัยศาส咤นะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าอ๋อถ้าเอาแค่เยธรมาหัวข้อหัวข้อนี่สําหรับอุกติตันยูแต่ถ้าวิปปิตัญญูล่ะวิปปิจันยูก็ขยายความให้หน่อยขยายความเช่นมีการแปลให้อธิบายขยายความให้แต่ถ้าเป็นเนยยะล่ะต้องยกอุปมาอุปไม้นะอุปมาฉั้นใดอุปไมยก็ฉันนั้นนะแต่ถ้าเป็นปะทะปรมะล่ะ พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยขยายเท่าไรก็ไม่ได้บรรลุถ้าขยายแล้วบรรลุเนี่ยก็เป็นเนยยะนะบางคนก็บอกโยนน่าจะเป็นเนยยะนะเป็นยังไงโยมเนยยะเรานิยมแปลว่าพอแนะนําได้แต่คําว่าพอแนะนําได้ในเนื้อหาของเนยยะเนี่ยแนะนําเสร็จแล้วได้บรรลุนะถ้าแนะนําแล้วยังไม่ได้บรรลุอยู่ขั้นไหนปะทะประมประปทาแปลว่าอะไรแผ่บทประมะแปลว่าอย่างยิ่ง บทอย่างยิ่งเอาบทนามมาอธิบายก่อนแล้วเอาบทกิริยามาอธิบายก่อนแล้วเอาบทนิบาดมาอธิบายก่อนแล้วเอาบทอุปสรตวมาอธิบายก่อนแล้วบททั้งหมดในส่วนของไวยากรณ์เอามาอธิบายหมดไม่เข้าใจแล้วก็เอาพยัญชนะบทเอาบทหบทมาอธิบายก็ไม่เข้าใจเอาบทชนิดไหนมาอธิบายก็ไม่ใช่ก็ไม่เข้าใจจนหมดความสามารถของผู้อธิบายคําว่าไม่เข้าใจคือไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมอันนี้ก็เรียกว่าบัฏะปรมะ เพราะฉะนั้นปทาปรามาก็คือทุกท่านที่ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกยังไม่ได้บรรลุนะก็อยู่ปทาปรามาแต่บางคนก็บอกท่านคงไม่ใช่ปทาปรมาหรอกหนักยิ่งกว่านั้นอีก leak. ทำไมละ่ะฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดปทาปรามาไม่ใช่ก็อยูここ่ในกลุ่มนี้แหละนะอยู่ในกลุ่มปทาปรมนี่แหละเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะก็เรียกว่า สำหรับคนที่มีอินทรีย์แก่ก้าเรียกว่าอุกติตันยูก็แสดงหัวข้อถ้าคนมีอินทรีย์ปานกลางก็เป็นวิปจิตตันยูขยายความให้ส่วนเนยยะยกอุปบาอุปไมอุปมาอุปไ ม, ปมเนี่ยโดยมากคนได้บรรลุคนโดยมากอยู่ในขั้นเนยยะคือฟังอุปมาอุปมไมถึงได้บรรลุ ถ้าฟังหัวข้อแล้วได้บรรลุมีไม่กี่ท่านนะอย่างเช่นพระพายะมุของตัดว่าดูก่อนพายะเมื่อเธอเห็นจงทําในใจสักแต่ว่าเห็นเมื่อเธอได้ยินจงทําในใจสักแต่ว่าได้ยินฟังแค่สองประโยคได้บรรลุแล้วอันนี้ก็คือพระพายะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะฟังเฉพาะหัวข้อแล้วได้บรรลุนั้นก็คืออุกคติตันอยู่ อุคติตันยูเนี่ยต้องเคยเจริ ญ, ญวิปัสนามามากๆมากๆรูปนามรูปนามรูปนามเห็นแจกรูปนามมากหลายพบหลายชาติอันนั้นคือตอนบนรรลุเนี่ยบรรลุได้อุคติตันยูตอนเจริญวิปัสนาเจริญจนตายไม่ได้บรรลุแต่พอจะได้บรรลุฟังเดียวเดียวประโยคเดียวก็ได้บรรลุอันนี้ก็อุคติตันยูชาติสุดท้ายนะเป็นอุคติตันยู วันนีในช่วงที่บําเพ็ญบารมีก็บําเพ็ญบารมีไปนะอันนี้ก็คือในส่วนของกามที่สององค์แห่งองค์พระาศาสดาจารย์ส่องสั์สันดานสว่างกระจ่างใจมนพระธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยสามารถส่องอัธยาศัยของผู้ฟังได้ทั้งหมดส่องอัธยาศัยอย่างไรส่องสัตว์สันดาลเนี่ยโอ้สันดานของบุวคล น, นี้นะเป็นคนที่มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าต้องเอาอนุบุพิกถาหไปแสดงก่อนพอฟังอนุบุพิกถาสันดานเริ่มสว่างกระจ่างแล้ว ก็แสดง อ, อริยาสัตวี่นะพระจ้ริยสัตีเข้าสู่วิปัสนาญาณตามระดับจนถึงมรรคญาณผลญาณอันนี้คือจะได้บรรลุมรคนิพพานเพรา ะ, ะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้ธรรมะเป็นปบัติบส่งให้สให้สันดานของสัตว์ทั้งหลายสว่าง1เห็นทาง2รู้ทางและก็สามปฏิบัติตามทางได้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้องค์พระศาสนาจารย์กับ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งสันดานของสัตว์ให้สว่างกระจ่างใจ เหมือ น, นเหมือนจุดประทีปในที่มืดอันนี้ก็คือส่องแล้วเนี่ยทำให้สว่างกระจ่างจริงๆส่องด้วยภาษ า, าส่องด้วยอุปมาอุปไมยพระองค์ส่องให้ทั้งหมดกี่ขั้นกี่ขั้นก็ส่องให้สว่างได้ทั้งหมดอันนี้คือวิธีการส่องของพระองค์ส่องสัตว์สนดานอันนี้ก็เป็นคาถาหรือเป็นกาบที่สองทำให้ บุคคลระดับต่ำสุดเนี่ยหมดจดจากกิเลสคือมนทินทั้งปวงได้ด้วยธรรมที่ไปส่องใจแสงสว่างส่องกลางใจคือพระธรรมแล้วก็กราบต่อมาก่อนต่อมาคือธรรมใดนับโดยมรผนเป็นแดพึงยนและ9ก้ากับทั้งนหรือานก็หมายความว่าพระธรรมในส่วนที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นอนุตรธรรมอนุตรธรรมคือธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าตนธรรมะนั้น ถึงแม้จะมีรถเดียวคือวิมุติรถแต่ก็สามารถจำแนกได้เป็นมรซี 4, ผลซนิพพาหนึ่งทำใดนับโดยมรผลทำมะหมวดใดก็ตามที่นับโดยมรนับโดยผลพระธรรมแปดหมื่นสีพันธำมาันต้นนี้หมายถึงโลกุเรล ธ, ธรรม9โลกกเทลธรรม9ก็คือมรซี 4, ผลซีมรซีคือลายโสดาปฏิมาศกาไทยมรอานาคามรอาราตรรมรผล4ีคือลายโสดาปฏิผลสกาไทยบนนายคายมบนาอาราตผล พอเอามาจับคู่ล่ะโสดาปฏิมาคู่โสดาปฏิผลสกัดาคาริมาคู่สกัาคาริผลอนาคาลิมาคู่อนาคาลิผลอรหัตมาคู่อรหัตผลอันนี้คือมรสีผลสในขณะที่มรเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่โสดาปฏิมาสกัาคาริมคอนาคาลิมาคอรหัตมาคมรทั้งสี่เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์ของมรทั้ง4เพราะฉะนั้นเนี่ยมรสีผลสีกับทั้งนิพพานหนึ่งรวม9้าอย่างนี้เรียกว่าโลกุตระธรรมเก้า โลโกตรธรรม9้าปัจจุบันเนี่ยมีลัทธิลัทธิหนึ่งแปลกๆนะลัทธิอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมก็คือโลโกตรธรรม9้าแต่ลัทธินี้ไม่ได้สอนโลโกตรธรรม9้าตามที่พระเจ้าได้ตัดเอาไว้กลายเป็นลัทธิบสีอ่านแปลกวิปริดนาอันนี้ก็คือลัทธิอนุตตรธรรมบางท่านเข้าไปแล้วก็ไปตกใจนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรู้ตัวก็หมดไปซะแล้วหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไปลัทธิอนุตตรธรรม นะฮะซึ่งบางท่านก็กลับมาหาที่วัดทำไมมันไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจมันเหมือนขาดอะไรต้องไปทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งเสียการเสียงานแล้วอย่างไม่พอเสียที่ไร่ที่นาเสียที่ดินเสียทุกอย่างตอนสุดท้ายมาหาอ้าวมันลัทธิอะไรท่านลัทธิอย่างเนี้ยลัทธิอนุตตรธรรมถ้าอนุตตรธรรมในที่นี้หมายถึงมากสี่ผลสีนิพพานหนึ่งแต่ลัทธิอนุตตรธรรมที่ เผยแผ่ทั่วทวกันไปเนี่ยนะเท่าที่คนไปสัมผัสนะนะแล้วก็ไปมีปัญหาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่เ็าสอนจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ไปเจอรัตทิเขาโดยตรงยังไม่ได้ไปเจอ เ, เจ้ารัตทิแต่คนที่ไปแล้วรู้สึกว่าเป็นอาการอย่างนี้ขึ้นมาก็คือรัตธิอนุตรธรรมแต่อนุตรธรรมเนี่ยมันอาจจะมีหลายสาขาหลายหลายสำนักนะแต่เท่าที่มีปัญหาแล้วกลับมา บอกว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะคำว่าอนุตตรธรรมเราได้ยินโอ้อนุตตรธรรมเคยไปฟังเทศมาแล้วอนุตตรธรรมคือมรสีผลสนิพพานหนึ่งไปเลยแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้สอนอนุตตรธรรมนะก็ทําเป็นเครือข่ายนะแล้วก็ทําให้เราไปติดอยู่ในเครือข่ายออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็อาจะไปจะไปศึกษาอะไรก็อย่าลืมนะเรามีทองคาคือเถรวาด น, นะอย่าไปหลงกองเหลืองนะซึ่งเป็นละที่อนุตตรธรรมแยกให้ออกในส่วนตรงนี้ เพราะนั้นรมใดนับโดยมรคลเป็น8ดพึงยนต์และ9ก้ากับทั้งพระนรพภานในทีนี้ก็คืออนุตตรธรรมเราก็รู้แล้วมรก4ผลสีนิพพานหนึ่งเพราะเป็นธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าต้นถึงแม้จะมีธรรมะธรรมะตอนสุดท้ายอนุตตรธรรมมีรถเดียวคือวิมุติรถ แต่ก่อนจะมาถึงวิมุติรสเนี่ยมีรถอะไรบ้างสิงขารรสรสรักกรุณารสรสสงสารวีรารสรสอาหารอภุตารถสรสอัศจริย์หัสสารรถรสล่าเริงผีพระชารถรถหน้าลังเกียรตุธทานรสรสเศร้าสันตารถสรสสงบตอนสุดท้ายวิมุติรสรถแห่งความหลุดพ้นเพราะฉนั้นก็คือธรรมะทุกคำเนี่ยฟังแล้วจะเกิดสิงขารรสรสรักรักใครรักตัวเองฟังธรรมะแล้วความรักตัวเองจะมีมากขึ้นรักยังไงเออถ้าเราทําบาปทํากรรมเนี่ยต้องไปอาบายภูมิ4ี ไปอบายภูมิไปทําไมล่ะไปทุกทรมาน ล, ลงนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเราจะรักตัวเราจะไม่ทําบาตทํากรรมจะไม่ผิดศีลห้าถ้าผิดศีลห้าแล้วเราก็จะต้องลําบากทุกขในชาตินี้ด้วยทุกในอบายศี4ด้วยพอฟังเทศฟังธรรมแล้วสิงขาระรถรดรักแก่ตนเองจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากทําบาตทํากรรมอันนี้ก็สิงขาระรถรดรัก กรุณารถรถสงสารสงสารใครโอสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมทางไปอบายก็ไม่รู้ทางไปสุคติก็ไม่รู้ทางไปเพรหมโลกก็ไม่รู้ทางไปนิพพานก็ไม่รู้ทางจะไปสู่สุคติเนี่ยทางเดินชีวิตไม่รู้ช่างน่าสงสารนะฮะเกิด กรุณารถรถสงสารขึ้นมาแล้วก็ฟังต่อไปเกิดอะไรอีกวีระรถรถอาถอาหารเราต้องกล้าทําคุณงามความดีต้องกล้ารักษาศีลห้าต้องกล้าสวดมวนต์ต้องกล้าแผ่เมตตาการจะทําคุณงามความดีกล้าแล้วอานอาหารแล้วนะวันนี้จะกล้าหรือไม่กล้าก็ไม่รู้แลเก้าอี้ข้างหน้าว่างเยอะเลยโยมเนีวีระรถยังไม่เกิดนะเนี่ข้างหลังก็คนยังแน่นนะข้างหน้าเนี่ยเก้าอี้ว่างก็เลยกว่าวีระรถเนี่ยรถอานอาหารยังไม่เกิดคือฟังเทศฟังธรรมแล้วเนะี่ยเราต้อง อาหางปฐมังอาหางข้าพเจ้าปฐมังต้องมาเป็นที่หนึ่งถ้าทําคุณงามความดีก็คืออาหางปฐมังอาหารข้าพระเจ้าปฐมังต้องทําเป็นคนแรกนะถ้าทำเป็นคนสุดท้ายล่ะทําเป็นคนสุดท้ายก็เหมือนสุภะนะเหมือนลาทะที่บวชเป็นองค์สุดท้ายบวชแล้วก็ได้บรรลุ ก, กระจิงแต่เป็นสาวกรูปสุดท้ายเพราะอะไรช้าชยืดยาวอืดอาดพี่ชายมาเกิดเป็นพระอัญญาโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนกว่าใครทั้งหมดเพราะอะไร ทำอะไรก็ตามอาหางข้าพเจ้าปฐมังต้องทําต่อนโดยเฉพาะทําคุณงามความดีทําคุณงามความดีทุกอย่างต้องกล้าต้องอดอาหารต้องมาเป็นที่หนึ่งต้องมาเป็นคนแรกอาหางปฐมังอาหารปฐมังอาหารปฐมังเวลาจะประสบความสําเร็จละ่ะก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก่อนกว่าใครทั้งหมดนะหรือสอบอะไรก็ได้ที่หนึ่งสอบอะไรก็ได้ที่หนึ่งอันนี้ก็คือลักษณะของการที่ทําใจของเราให้นะโดดเด่นขึ้นตะลืนฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะเกิดวีระรสลดอดอาหาร พระธรรมขององค์สมมาสมุทรเจ้าฟังแล้วก็จะเกิดอภูตตาลถลดอศัจรรอศจรรย์อัศจรรย์ยังไงธรรมะมันลึกไหมลึกแต่ถ้าฟังตั้งแต่ต้ น, ต น, จ, นจนจบตามลําดับเนี่ยสามารถเข้าใจได้อันนั้นคือความอัศจรรย์ของพระธรรมนาะยโยไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนแต่ตั้งใจฟัง ต, ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยฟังหนึ่งสอแต่ความเข้าอกเข้าใจจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนั่นคือความอัศจรรย์ของพระธรรมเพราะนั่นเด็กเลี้ยงวัวฟังธรรมะก็มีสิทธิ์ได้บรรลุ นาะชาวบ้านตาสีตาสาฟังธรรมก็มีสิทธิ์ได้บรรลุแต่ขอให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพราะนั่นคือความอัศจรรย์พระธรรมมีความอัศจรรย์ถึง8ประการด้วยกันขอก็คือเหมือนกับทะเลเนี่ยลึกลาดไปตามลําดับชั้นใดพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลึกลาดตามลาดับไม่ลึกแบบโกรกชันลึกลาดคือคนธรรมดาสา ม, มาเนี่ยฟังไปทีละกัน้นทีละกัน้นทีละกันะก้นในการฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจอันนี้นคือควนะามน่าอัศจรรย์ของพระธรรม เพราะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ทำฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว 1. น่นะสิงขารรถสองกุณารรถสามวีรารรถส่อาภูตารรถหหัดศาสรถรถละ่าเริงฟังธรรมะแล้วรู้สึกว่าเศร้ายิ่งกว่าเก่าก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วฟังธรรมะแล้วต้องอาหารร่าเริงแจ่มใส น่าถึงไม่ต้องหัวเราะก็ไม่เป็นไรแค่ล่าเริงอ๋อธรรมะของผู้ได้เจ้าอย่างนี้หรือมันทําให้กระจางกระจางกระจางจิตใจล่าเริงมันเกิดเรียกว่าหัดสารลดลดล่าเริงในพระธรรมก็จะมีขึ้นพอหัดสารลดแล้วก็ต่อไปฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดอีกรถหนึ่งพีพัดฉารถรถหน้ารังเกียร์รังเกียรอะไรเห็นบาปเห็นอกุศลเห็น ทุจริตต่างๆกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยาขแยงเหมือนเห็นมูดเห็นคูดนะคนที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วเห็นทุจริตต่างๆก็ดีเห็นอกุศลกําบฏก็ดีเหมือนมูดคูดอันน่ารังเกียจเกิดพีพัชชะลดขึ้นมาแล้วอ่ารุ่ดทารถรดเศรถ้ารุ่ดทารถเศร้าอะไรฟังเทศฟังธรรมแล้วจะเศร้าอะไร อบุคคลผู้ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมน่ะต้องเศร้าโศกเพราะการเกิดแก่เจ็บตายอีกยาวนานน่ะก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตอนสุดท้ายฟังเทศฟังธรรมความเศร้าโศกก็จะดับหายไปเกิดสันตะรถรถสงบพอสันตารถรถสงบจิตใจเริ่มสงบนิ่งแล้วขยับอีกรถหนึ่งวิมุตติรถรถแห่งความหลุดพ้นอันนี้คือพระธรรมขอ ง, องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราเข้าถึงน่ะสิ่งที่สูงสุดน่ะแล้วก็น่ะ ขาต่อมาก็คือสมยาโลกุดรพิสดารอันลึกโอลานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสนะก็ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อเดี๋ยวทำใดนับโดยมรคลเป็น8ปพึงยนและเก้ากับทั้งนิพลา น, นนี้มรสีสนอีนิพานหนึ่งก็อธิบายขยายความแล้วนะก็จะพึงยนก็คือยนในที่นี้ได้แก่การเข้าไปเห็นด้วยปัญญาจากสุ ยนเนี่นคือยนคือยนคือเข้าไปเห็นด้วยปัญญาจักสูตนะนากาบต่อมาก็คือสมยาโรกุดรนพิสดารอันลึกโอรานพิเศษพิสุทธิ์พิเศษพิสุทธิ์พิเศษสุขใสซึ่งตรงนี้ก็แปลความว่าอนุตตรธรรม9้าประการชื่อว่าโรกุตตรธรรมธรรมที่ข้ามพ้นจากโลกโลกอะไรล่ะกามโลกรูปโลกอรูปโลกข้ามพ้นจากโลกทั้งสาหรือธรรมที่ยิ่งกว่าโลกนะ หรือจะแปลเป็นภาษาแปลกๆทาที่หลุดโลกหลุดโลกแต่คําว่าหลุดโลกในโยมอาจจะฟังแล้วแปลกๆนะแต่คําว่าหลุดโลกในหลุดจากโลกทั้งส ม, มนุษย์เทวดาพรมคํำว่าโลกุตระก็แยกสองสั์โลกะแปลว่าอุปาทานขันห้าแล้วก็อุตระแปลว่าข้ามขึ้นหรือยิ่งกว่านาพระนสวดาปฏิมาเจ่วโลกุตระเพราะกำลังข้ามขึ้นจากโลกคืออุปาทานขันในอบายภูมิและในข้ที่แปด โสดาปฏิผลชื่ว่าโลกุตระเพราะข้ามขึ้นแล้วจากลอกคืออุปาทานาขันและอบายภูมิในภพที่8อันนี้ก็คือโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลที่ญาติโยมได้เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยน่าก็จะรู้อ๋อสมญาโลกุรลพิสดารครับว่าสมญาก็คือสมชื่อสมมะยานี่คือสมชื่อนะสมมะยสมะยาภาษาบาลีสมัญญาหรือสมมะเนี่ยแปลว่าชื่อโลกุรลพิสดารธรรมะหมดนี้มีชื่อว่าโลกุตระหรือโลกุตระธรรม9้านั่นเอง สกัตาคามีมารชื่อว่าโลกุตระเพราะกําลังข้ามขึ้นจากรกคืออุปาทานขันห้าที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพียงครั้งเดียวสกัต า, าไก่ผลชื่อว่าโลกุตระเพราะข้ามขึ้นแล้วจากรกคืออุปาทานขันนะ่ะที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นะ่ะก็เพียงยครั้งเดียวครั้งเดียวอันนี้ก็คือสกะสกิงครั้งเดียวแล้วก็นะ่ะ อนาคามีมรรคชื่อว่าโลกุตละอนาคามีมรรคที่ว่าโลกุตละเพราะกำลังข้ามขึ้นจากโลกคืออุปนนาคานขันที่จะกลับมาเกิดที่จักไม่กลับมาเกิดในกามภูมิไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีก อ, อนาคตนี้ไปไว่าไม่กลับมาถ้าบรรลุ อ, อนาคามีแล้วไปไหนละ่ะก็นะก็ไม่กลับมาเกิดในกามภูมิแล้วไปเกิดในรูปภูมิรูปภูมิส่วนไหนสุดท่าวาดภูมิห้าถ้าบรรลุเป็นพระอนาคามี A K M, ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหมเป็น รูปภพมชั้นสุดทาวาสหนะ้าน่ะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่จะข้ามขึ้นจากลลกคืออุปาทานขันที่จะเกิดในภพใหม่ข้ามขึ้นจากตรงนี้ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นอนุตรธรรมเมื่อนำไปจำแนกด้วยฌานปฏิปทาแล้วนะ่ะก็จะอธิบายขยายความนี่ลึกพอสมควรลึกอย่างไรอันลึกโอฬานธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกโอฬานลึกจริงๆลึกยังไงบ้างธรรมะคำพีระลึกโดยเหตุ อัฏฐคามีระลึกโดยผลเทศนาปฏิเวทาคามีระลึกโดยการรู้แจง้งแทงตลอดแล้วก็เทสนาคามีระลึกโดยการแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะคามีระลึกโดยเหตุธรรมะเนี่ยเรามองเห็นผลแต่ต้องสาวหาสาเหตุพอสาวหาสาเหตุก่อนจะได้บรรลุเป็นโสดาบันติมกักมีอะไรเกิดขึ้นมีโกตรตรพูญานก่อนถึงโกตรตรพูญานก็มีญานสิบหกตามดับดูถอยหลังไปถึงวิปัสสนาญาณแล้วก็โน่นจากจุดเริ่มต้น เพราะนั้นถ อ, ถอยไปถอยไปถอยไปถอยไปก็จะเห็นว่าอ๋อเหตุมาจากนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระุทธเจ้าเนี่ยลึกโดยเหตุเป็นธรรมะคำพีรละลึกโดยผลผลก็คือผ ล, ผลตรงๆผลต่อเนื่องอันนี้คือความลึกซึ้งนะลึกโดยเหตุลึกโดยผลส่วนลึกโดยการรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยบางทีเราเอ๊ะธรรมะลึกขนาดนี้ทําไมรู้แจ้งแทงตลอดได้ก็มีมรรคปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้โดยมรรคปัญญานั่นแหละ อันนั้นคือปฏิเวธคัมพีระส่วนเทศนาคัมพีระคว า, ามลึกโดยการแสดงลึกโดยการแสดงในยุคนี้สมัยนี้ที่แสดงธรรมะอย่างลึกซึ้งอย่างนี้แสดงไม่ได้ทําไมแสดงไม่ได้เพราะต้องประมวลธรรมะทั้งหมดที่จะแสดงก่อนหลังจากนั้นก็ดูอัธยาศัยผู้ที่จะฟังหลังจากนั้นก็จับธรรมะไปถูกกับอัธยาศัยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนได้ทั้งหมดอันนั้นคือเทศนาคัมพีระยุคนี้สมัยนี้ทําได้ไหมไม่ได้ทําไมจึงทําไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าโยมจริตอะไรเออถ้ารู้ว่าโยมราคัจริตเอาเลยโยมอสุภกรรมฐานถ้ารู้ว่าโยมโทสัจริตเอาโยมเมตตากรรมฐานถ้ารู้ว่าโยมโมหะจริตหรือวิตจริตเอาโยมอานาปานสติกรรมฐานถ้ารู้ว่าโยมเป็นศรัทธาจริตเอาเลยโยมพุทธานุสติกรรมฐานถ้ารู้ว่าโยมเป็นพุทธิจริตมีปัญญามากเอาโยมมรณานุสติกรรมฐานกายกตาติกรรมฐานหรือติปฐาน4คือถ้ารู้จริตของคนแล้วก็จับธรรมะให้มันถูกกับจริตจริตได้นะแล้วก็ต้องรู้การเวลาถึงเวลาเขาจะฟังหรือยัง ถ้าเขายังไม่พร้อมก็แสดงไม่ได้อันนี้คือเทศนาคัมภีละพราะนิฟาร์มลึกโดยการแสดงเนี่ยยากมากในยุคนี้สมัยนี้ต้องรู้อัธยาศัยผู้ฟังต้องรู้ธรรมะที่ถูกจริตแล้วก็รู้การเวลาที่เขาจะฟังแล้วเข้ายักเข้าอก เ, เ, เข้าใจนะฮะพระธรรมะของพระเจ้าเนี่ยลึกโดยเหตุลึกโดยผลลึกโดยการรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็ลึกโดยการาแสดงเขาเรียกว่าเทศนาคมภีระบอกอันลึกโอลานลึกจริงๆแต่ลึกอย่างไรก็ยังถึง เพราะมีวิธีการยั่งนะแต่สิ่งที่ลึกแล้วก็ยั่งไม่ถึงคืออะไรลึกแล้วยั่งไม่ถึงก็คือใจคนใจคนลึกเท่าไหร่ก็ยั่งไม่ได้แต่ธรรมะลึกเท่าไหร่ก็ยั่งได้ธรรมะยังยั่งได้เพราะมีหลักการในการในยั่งนะ้วายั่งใจคนในยั่งเท่าไหร่ก็ยั่งไม่ถึงมันลึกขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นลึกแล้วยั่งไม่ได้คือใจคนยึกลึกแล้วยั่งได้คือพระธรรมนะเราสามารถยั่งโดยใช้หลักการ4ี่อย่างเข้าไปยั่งอันนั้นก็คือหลักการในส่วนตรงนี้ เพราะฉะนั้นโอราณในที่นี้ก็คือธรรมะที่ลึกกว้างขวางไม่ครับแค่เป็นอปริยาปณนนธรรมที่ไม่นับเรื่องก็ในสังสารวัตรอันคับแค่ไปเดือดรุกน่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของความลึกพิเศษพิสุทธิ์พิสุทธิพิเศษสุขใ ส, พ ส, พ ส, ส, ส, ส, สเพราะเป็นอารมณ์แห่งกิเลสธรรมพิสุทธิพิเศษสุขใสน่ะเป็นธรรมน่ะเป็นอารมณ์แห่งธรรมที่พิเศษโดยเฉพาะนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นอารมณ์ของธรรมที่ บริสุทธิ์โดยพิเศษนิพพานเป็นอารมณ์ของใครเป็นอารมณ์ของมรรคทั้งสี่ทำที่บริสุทธิ์โดยพิเศษคือธรรมะหมวดไหนมรรคสี่โดยเฉพาะอรหัตมรรมมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยพิเศษแล้วใครเป็นอารมณ์ของธรรมที่บริสุทธิ์โดยพิเศษนิพพานนั่นแหละนิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคทั้งสี่พั้นพิสุทธิ์พิเศษสุขใส ก, ก็คือนิพพานนี้นะ เป็นอารมณ์ของธรรมะที่บริสุทธิ์โดยพิเศษก็คือมรรคทั้ง4นั่นเองนะในส่วนของธรรมะมวดนี้เพราะฉะนั้นนะในกาบที่กาบที่4ก็จบไปต่อไปก็คือ5้ากระพงห้ากระพงก็คืออีกทำต้นทางคันไลนามขนานขันไขปฏิปฏิบัติปริยัตเป็นสองคือทางดําเนินดุด จ, จักรลองให้ล่วงลูกบอลยังโลกอุดรโดยตรงนะก็คือนะเป็นชุดสุดท้ายนะชุดสุดท้ายของกาบในสองช่วง ชุดสุดท้ายก็คือ5กับ6อีกคมต้นทางคันไลคืออย่างไรนะในที่นี้นะแต่ละคำก็จะได้อธิบายทีละคำให้เข้าใจก็คือคําว่าปริยัติปฏิบัติคืออะไรบ้างปริยัติปฏิบัติเป็นสองนะปริยัติธรรมก็คือพระบาลีอัตถาปริยัตในที่นี้ก็คือในส่วนที่เป็นนะพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมก็เรียกพระบาลีพระไตรปิฎกอัตถาก็เรียกนะนั่นก็คือปริยัติธรรม ปฏิบัติคืออะไรปฏิบัตินี่หลายๆท่านก็นึกถึงแต่นั่งเจริญวิปัสนาปฏิบัตินี้ญาติโยมสมาทานศีลหนับหนึ่งปฏิบัติที่ไตรสรนคมนับสปฏิบัติที่ศีลนับ3ปฏิบัติที่ทุ๊ดงนับสปฏิบัติที่สมถานับหปฏิบัติวิปัสนาเพราะนั้นคำว่าปฏิบัตินับหต้องเริ่มที่ไตรสรนคมคือน้โมตสาสามจบแล้วก็ต่อดี๋ยพุทธังสรนังกชามินั่นคือนับหนึ่งแล้วนับสศีลรักษาศีลนั่นคือลงมือปฏิบัติแล้วศีลเราวิสุทธิ นับสทุดงทุดงก็คือเนสัศชิกาทุดงโยมก็ไม่นอนทั้งคืนปฏิบัติธรรมได้นับสี่ของการปฏิบัติคือสมณฐากรรมฐาน40่ิวิธีนับห้าของการปฏิบัติคือวิปัสนากรรมฐานอันนี้คือฝากด้วยนะระหว่างปริยัติกับปฏิบัติและปฏิบัตินี้นะทายาโยมเข้าใจความหมายของคําว่าปฏิบัติปฏิบัติแปลว่าการเดินทางปฏิบัติแปลว่าการถึงปฏิบัติแปลว่าการรู้ปฏิบัติแปลว่าการบรรลุ ปฏิบัติแล้วการเดินทางเดินไปไหนเดินทางไปพันิพานเดินทางไปพันิพาณจะนั่งรถไปหรือนั่งเรือไปนั่งรถก็ได้ถ้านั่งรถรถนั้นชื่อว่าวิสุทธิเจ็ดรถเจ็ดพลัดถ้านั่งเรือเรือนั้นเรียกชื่อว่าอัดถังขีกานาวาเรือคือมรรคมีองแปดแล้วเส้นทางที่จะเดินล่ะมัชชิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นจะไปนิพานเนี่ย ต้องปฏิบัติปฏิบัติแปลว่าการเดินทางนะปฏิบัติแปลว่าการเดินทางเดินไปไหนเดินไ ป, ปนิพพานนะปฏิบัติแปลว่าการถึงถึงไหนถึงฝั่งคือพระนิพพานปฏิบัติแปลว่าการรู้รู้อะไรรู้แจ้งอริยสัจทั้ง 4. ปฏิบัติแปลว่าการบรรลุบรรลุอะไรบรรลุมรรคสี่ผลสนิพพานหนึ่ง ฉันปฏิบัติแปลว่าการเดินทางการถึงการรู้บานการบรรลุส่วนปฏิบัติแปลว่าการลงมือกระทําไม่ต้องแปลเด็กก็เข้าใจ <g ül üyor> ปฏิบัติแปลว่าอะไรลงมือกระทําอันนี้ไม่ต้องแปลหรอกปฏิบัติแปลลงมือกระทําแต่ปฏิบัติแปลว่าการเดินทางทําไมต้องแปลว่าการเดินทาง <c oughs> เพราะมีเส้นทางให้เดินและมีผู้เดิน <c oughs> เส้นทางเดินเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา <c oughs> ผู้ที่จะเดินเรียกว่าโยคีนะวิธีการจะเดินก็หนึ่งไตสรณคม สศีลสามคตรงสี่สมถะหวิปัสนาอันนั้นคือความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจปริยัตก็ต้องเข้าใจปริยัตก็เหมือนแผนที่ปฏิบัติก็คือการลงมือกระทำนะเพราะฉะนั้นทั้งปริยัตปฏิบัตินะเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของปฏิบัตินี้นะเราจะไปเข้าใจว่าในช่วงพุทธชียันตีสอ0พันหกรปีเรามาทำอะไรปริยัตนั่งอยู่ในห้องนี้กําลังทำปริยัติอยู่ฟังฟังฟังฟังฟังนัง่นะคือการเรียน ฟังแล้วบางคนโยนที่โูงนักิการตามได้ด้วยนั่นคือการปฏิบตัติแต่ก่อนที่จะมานั่งฟังทำอะไรรับศีลไปแล้วลรับไตสรณคมไปแล้วปฏิบัติไปด้วยเพราะในห้องนี้กำลังทำทั้งปริยัติและปฏิบัติ ปริยัติก็คือฟังให้เข้าใจแล้วก็ว่าตามให้ได้ปฏิบัติก็คือตั้งใจตั้งแต่รับไตสรณคมรับศีลหแล้วก็สวดมนต์เป็นต้นมาแล้วก็การนั่งไม่นอนเนศชิกะนะในส่วนตรงนี้ส่วนที่โยนิสโสมนสิการตามไปหรือตั้งใจฟังก็ทําให้เกิดสมถะกรรมฐานและในขณะที่ฟังไปโยนิสโสมนัสิการหเห็นแจ้งรูปนามขันห้าก็เป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นในขณะที่อยู่ในห้องเนี้ยหลายท่านได้ทั้งปริยัติและปฏิบัติ หลายท่านได้ปริยัติอย่างเดียวแต่หลายท่านนั่งปฏิบัติอย่างเดียวนะแต่หลายท่านก็ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยนะก็แล้วแต่นะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าถ้าตั้งใจฟังได้ทั้งสองอย่างถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่ได้ทั้ง2 อ, อย่างนะในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติในช่วงพุทธศตวรี่สองนหกร้อปีทำอะไรปริยัติบูชาและก็ปฏิบัติบูชาปริยัติบูชาก็คือศึกษาเราเรียนปฏิบัติบูชาก็คือลงมือปฏิบัติหรืออามิสซบูชานะอามิสซบูชาเช่นเนียจัด อนิ่เจ้การต่างๆก็เป็นอามิสบูชาแล้วเราทําอย่างนี้เนี่ยเป็นประเพณีของพระอาริยะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติบูชาได้ด้วยเราบูชาด้วยวัตถุแต่ผู้บูชาก็ไม่เที่ยงผู้รับการบูชาก็ไม่เที่ยงสิ่งที่นํามาบูชาก็ไม่เที่ยงดึงเข้าสู่ไต้ลักก็เป็นปฏิบัติได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัญญาว่าเราจะบริหารให้เป็นอะไรบริหารให้เป็นอาิสบูชามันก็แค่ธงธรรมจักรกับธงฉับบรรลังสี แต่ถ้าบริหารเนี่ยเป็นปฏิบัติบูชาล่ะ อ, อ๋อธงธรรมจักรเป็นสั ญ, ญลักษณ์ข้องการประกาศธรรมจักรกับปรวัตินสูตรธงฉับพลันรังสีเป็นสั ญ, ญลักษณ์ทางปัญญาคือคัมภีร์มหาประธาน อ, อ๋อทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ทางปัญญาที่พระองค์เนีปป่ประกาศพระศาสนาประกาศปัญญาให้บุคคลรู้แจง้งเห็นจริงถ้าอย่างนี้ปัญญาเป็นขั้นสูงสุดนั่นะก็คือวิปัสนาปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้น่นะก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติเราก็รู้แล้วแล้วก็คําว่าคันไล นะคันไลในที่นี้ก็แปลว่าพรมได้แก่ผู้ประเสริฐนะก็เรียกว่าอีกทางต้นทางคันไลทำต้นทางคันไลนะคันไลเนี่ยแปลว่าต้นแปลว่าพรหมก็ได้แปลว่าผู้ประเสริฐหรือเป็นทางที่จะต้องอาศัยก้าวเดินไปเพื่อถึงจุดหมายที่หวังไว้คือโลกุตละธรรม9นะคันไลแปลหนทางก็ได้แปลว่าพรหมผู้ประเสริฐก็ได้คําศัพท์นี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้แล้วนามขนานขานขายนามก็คือชื่อขนานก็คือเรียก นะเรียกอะไรต้นทางที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยก็คือประยัติและปฏิบัติสองอย่างนี้แหละจะไปสู่พระนิพพานได้นะอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนคลองอันเป็นที่อาศัยไหลไปของน้ำเพื่อไปถึงนะเพื่อให้แม่น้าใหญ่ไปถึงมหาสมุทรเป็นดุดจุดหมายปลายทางของน้ำก็เรียกว่าน้ำจะไหลไปถึงน้นปลายปาหมายปลายทางคือมหาสมุทรน้าก็อาศัยคลอง ธรรมะของอุปสมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจะไหลไปสู่พานิพานแล้วการไหลทําไมต้องไหลเพราะมีกระแสเพอไหลไปถึงพานิพานถึงกระแสแล้วกระแสอะไรกระแสพานิพานแต่ถ้าไม่ไหลไปตามกระแสนั่นล่ะก็ไหลไปสู่กระแสกลามสุ่ขันธิการโยกและไหลเข้าไปสู่กระแสอตนิ ก, กิีรัมันานโยกแต่ตอนนี้น่ะปริยัติปฏิบัติเนี่ยจะเป็นช่องทางทําให้เราเนี่ยไหลเข้าไปสู่กระแสพานิพานได้นะกระแสพานิพานก็คือต้องถึงโสดาบันติมรักษ โสตาอาปติอาปฏิแปลถึงโสตกระแสรพระนิพพานปฏิบัติไปรู้แ จ, จ้งเห็นจริงละกิเลสสามตัวสักายญาติิวิจิกรชศิรพัฒนารามาสได้วันนั้นนะก็ไหลไปสู่กระแสรพระนิพพานเมื่อไหลไปสู่กระแสพระนิพพานแล้วก็เรียกว่าเราถึงเป้าหมายลุใายล่วงลุปองอยังโรคอุดรโดยตรงโรคอุดรในนี้คือโลกุตละก็คือนิพพานนั่นแหละเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะ พระธรรมจริงๆในที่นี้ก็คือปริยัติกับปฏิบัติปริยัติศิทธรรมและปฏิบัติสิทธรรมเพื่ออะไรเพื่อไปสู่ปฏิเวทสัตธรรมปฏิเวทสัตธรรมคืออะไรปฏิเวทก็คือมรซีผลซีนิพานหนึ่งปริยัติ์นะปริยัต์ก็คือพระบาลีก็ดีอัตถกถาก็ดีพระสูตรพระวินัยพระพิธรมก็ดีนั่นคือปริยัติปฏิบัติตั้งแต่ไตรสนาคมศีลทุดงนะสมถะกรรมฐานนิบาสนากรรมฐานนั่นคือปฏิบัติ สรุปแล้วในบทสรนเสริญธรรมคุณเนี่ยได้พูดอธิบายขยายความให้เราได้เข้าใจสัตธรรมสประการปริยัติสัทธรรมปฏิบัติศัทธรรมปฏิเวศธรรมแต่ก่อนจะพูดปริยัติกับปฏิบัติพูดถึงอะไรก่อนโลคุตละทึ่งเป็นปฏิเวธสัทธรรมก่อนเอาผลคือปฏิเวทมาให้ดูก่อนพอเข้าใจอ๋อปฏิเวทเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดแล้วนะจะไปถึงปฏิเวททำยังไงล่ะต้องมีปริยัติกับปฏิบัตินะปริยัติปฏิบัติเป็นสองนะคือทางดําเนินถูกต้องนะพระพุทธเจ้าเนี่บังคับไปเลยต้องเรียน บวชเป็นพระมาแล้วต้องเรียนอย่างน้อยห้าพันษาจึงจะพ้นจากการถือนิสัยที่เรียกว่านิสยามุตตะเรียนอะไรพระเรียน5ปีหนึ่งต้องทรงจําพิคุปาติโมกต้องทรงจําพิกุณีปาติโมกต้องเรียนรู้ขันธกะวัดมหาวัดเสขียวัด ต, ต้องเรียนรู้การทําสารกรรมต้องเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานต้องเรียนรู้การเทศสามอย่างเทศงานมงคลเทศงานอาวะมงคลและงานทั่วไปถ้ามีพื้นฐานเหล่านี้แล้วเรียนจบภายในห้าหปี สามารถพ้นจากการถือนิสัยที่เรียกว่านิสยมุมตกะได้แต่ถ้าไม่เรียน5ปีนี่ไม่เรียนตรงนี้เข้าไปอยู่ในป่าองค์เดียวไม่พ้นจากนิสัยอย่าไปปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามเป็นอาบัตทุกกฎเพราะวัดขาดข้อวัดขาดเพราะนั้นไม่มีทางได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยบังคับเลยต้องเรียนอย่างน้อย5ปีถ้าจะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นต้องเรียนอย่างน้อย5ปีนะนะแต่ถ้า อยากเรียนต่อไปหล่งอยากเรียนต่อไปก็เรียนเลยให้จบพระไตรปิฎกแต่ถ้าอยากเรียนเพื่อหลุดพ้นอย่างน้อยต้องเรียน5ปีหนึ่งเรียนรู้เรื่องวินัยนะเรียนรู้เรื่องการทํำขังกรรมเรียนรู้สมถะกรรมฐานนิปัสนากรรมฐานเรียนรู้สงฆ์ข้อยาตโยมคือเทศนะสัมโมติยากถาอันนี้ก็คือพื้นฐานต้องการเรียนภาคบังคับของพระห้าพันษาหรือหปีน้อยนั้นก็คือตรงนี้พูดถึง ปฏิเวทก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาที่ประยัิและปฏิบัตินั่นก็คือพระธรรมทั้งหมดที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ศึกษาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจตอนสุดท้ายก็สรุปลงว่าข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมเสียน9คํคำว่าอุตมงคอุตมงก็คืออุตมะอังคะอังคะคืออวัยวะอุตมงคที่สูงที่สุดอวัยวะที่สูงสุดคื อ, อไรศีษะ นะโอนอ่อนโอนอ่อนคือก้มอุตมงก็คืออวัยวะที่สูงที่สุดก็คือศีรษะนบธรรมจำงไปนบน้อมพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตด้วยกายด้วยวาจานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยข้าขอโอนอ่อนอุตมงอุตมงเนี่ยไม่รู้อุตมงคืออะไรนะมงแล้วก็มงนะแต่มองนี่คือมังคะมาจากอุตมะบวกอังคะอังคะแปลว่าองค์คืออวัยวะ อ, อุตมะสูงสุดอวิวัวสูงสุดก็คือศีรษะโอนอ่อนก็ก้มศีรษะลงไปนอบน้อมพระธรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแต่ทอนี้เอาจิตก่อนนะด้วยจิตและกายวาจาทำไมจะต้องด้จิตละ่ะกายจะขยับจิตก็ต้องมีด้วยวาจาจะเป่งจิตก็ต้องมีด้วยเพราะฉะนั้ น, นกายเกิดกับจิตวาจาเกิดกับจิตต้องเอาจิตขึ้นมาก่อน ต้องจิตนำมาก่อนแล้วกายกับวาจาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในวันนี้ญาติโยมสาธุชนได้น้อมระลึกถึงธรรมคุณของโอพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งแต่สวาขาโตพระวตาธโมจนมาจบปั จ, จตังเวริฏาโพวิญญูหีแล้วก็ต่อไปด้วยบทสรพันยะก็คือธรรมคือคุณากร ได้อธิบายขยายความเพื่อให้ญาติโยมในน้อมจิตไปถูกเมื่อน้อมจิตถูกปัญญาก็เกิดศรัทธาได้เกิดแล้วได้เสียงเพราะเพราะศรัทธาก็เกิดได้ไปัญญาได้เข้าใจความหมายปัญญาก็เกิดศรัทธากับปัญญาท่าเสมอกันนะอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียกว่าอินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาพละกับ ปัญญาภราธาเสมอกันการรู้แจ้งเห็นจริงก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือ น, นำมาอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดปัญญาสูตตามยปัญญาให้กับญาติโยมสาธุชนเพราะฉะนั้นวันนี้การอธิบายขยายความในส่วนของธรรมคุณก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมูุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะฉนี้